เมื่อกี้เราก็ได้สาธยายเกี่ยวกับอริบังมีองค์แปดก็ให้พิจารณ า, าส่วนที่เป็นสัมมาสติสัมมาสตินี่ก็คือการมีสติรู้หรือรู้ทัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมก็คือรู้กายรู้ใจหรือรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราสตินี่มีหลายแบบสิ่งที่เป็นมิจฉาสตินี่ก็มีนะ อันนี้ก็หมายถึงความระลึกได้แต่ว่าระลึกได้ในสิ่งที่ทำให้เกิดอกุศลเวลาเราระลึกถึงสิ่งที่ทำให้เกิดโรพะราคะขึ้นมาเช่นนึกถึงภาพโฆษณาที่ทำให้เราเกิดความอยาก หรือาภาพปฏิทินที่กระตุ้นทำให้เราเกิดราคาขึ้นมาอันนั้นก็สติเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นมิจฉาสติหรือลึกได้ถึงคําพูดของคนบางคนที่ทําให้เราโกรธกุ่นเคืองใจเมื่ออกุศลธรรมเกิดขึ้นนั่นก็มิจฉาสติสติบางอย่างก็เป็น ก, ากลาง เช่นเมื่อเสร็จการทาวัด น, นะเราลงไปเราก็รู้ว่าหรือเราจําได้ว่าวางรองเท้าไว้ที่ไหนนะความระลึกได้ว่าวางรองเท้าไว้ที่ไหนอันนั้นก็สตินะหรือว่าจะเดินกลับกุฏิที่พระของเราอย่างไรจําได้ว่ากุฏิอยู่ตรงไหนทางไหน ชื่ออะไรเบอร์อะไร น, นั่นก็ให้เราเรียกวา่านั่นแหละสติเหมือนกันไปถึงกุฏิแล้วก็สักพักก็ระลึกได้ว่าหรือจำได้ว่าเวลาอาหารเช้านี่กี่โมงเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้ไป กินอาหารตามเวลาหรือทันเวลาการที่จำได้ว่ากำหนดการในวันนี้มีอะไรบ้างนี่ก็สตินะหรือว่ากำลังเดินจงกรมอยู่เดินไปได้เป็นชั่วโมงแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าได้เวลาอาหารแล้วนะ บางทีเดินไปก็ก็ลืมเหมือนกันนะลืมเวล่าเวลานึกขึ้นมาได้ว่าเอาตอนนี้ได้เวลาอาหารแล้วอ่ะก็ออกจากการจงกรมออกจากทางจงกรมไปที่ศาลานอกนะ่าจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วนี่เราใช้สติอยู่ตลอดเวลาอย่าไปนึกว่าสติมันเป็นของแปลกใหม่หรือแปลกแยกหรือเป็นเรื่องที่ ลกลักบซับซ้อนเราได้ใช้สติในการดําเนินชีวิต อ, อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่ใช่สำมาศติมันเป็นสติเฉยๆหรือเป็นสติแบบกลางๆเราอาศัยความระลึกได้ในชีวิตประจําวันถ้าเราระลึกไม่ได้นี่มันก็ดําเนินชีวิตลําบากนะหลงทางนะเพราะจำทางไม่ได้อะ น, นั่นก็เพราะไม่มีสติ เราใช้สติอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจาวันแต่ว่าสิ่งที่เรามีน้อยหรือไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็คือสัมมาสติก็ ค, ค, คือความระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจหรือรู้ทันในเรื่องกายเรื่องใจไอ้ที่เราระลึกได้นี่เป็นระลึกได้เกี่ยวกับสิ่งนอกตัวเรื่องนอกตัวรองเท้าวางไว้ที่ไหนทางกลับไปกุฏิทางซ้ายทางขวา นะหรือเราลึกได้จำได้เกี่ยวกับกำหนดการอันนั้นเป็นเรื่องนอกตัวแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของตัวเราเองซึ่งก็มีแค่สองอย่างใหญ่ๆนะคือกายกับใจแต่ว่าถ้าให้เต็มสูตรก็มีความรู้สึกนะคือเวทนาแล้วก็รวมไปถึง ภาพรวมทั้งหมดที่เราเรียกว่า ร, รมนะอันนี้ท ร, ร ม, มารมก็ได้นะกายเวนาณิตธรรมเนี่ยเมื่อเรามีสติหรือว่าอาศัยสติเนี่ยเป็นเครื่องตามทันในสิ่งที่เป็นกายและใจอันนั้นแหละนะให้รู้ว่าคือสัมมาสติ เมื่อเรารู้แล้วรู้กายรู้ใจเนี่ยก็จะทำให้เรามีความรู้สึกตัวเพราะว่าเมื่อบางครั้งใจเราเผลอเราใจลอยถูกตัวลักคิดในยอย่างที่พูดไว้แล้วเมื่อสองวันก่อนนี่มันช่วยเอาจิตของเราไปพาจิตของเราไปเตลิดเปิดเปิงไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างเสร็จ แ, แล้วก็มีสติรู้ทัน ว่าใจลอยแล้วนะแล้วสติก็ยังระลึกได้ว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เช่ขนขณะนี้เรากาลังนั่งฟังธรรมสติระลึกได้ว่าเรากําลังนั่งฟังธรรมอยู่ดังนั้นแทนที่ใจจะลอยไปที่บ้านไปที่ทํางานสติก็พาจิต ก, กลับมา จากความฝันพุ่งปรุงแต่งอดีตอนาคตกลับมาอยู่ที่กิจทธ่ทำนะเมื่อมาอยู่มาใส่ใจกับกิจที่รมก็ทำให้ฟังรู้เรื่องนะเพราะว่ากิจที่รมขณะนี้ก็คือการฟังธรมเมื่อใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นการฟังรมก็เข้าใจ บางช่วงบางตอนไม่เข้าใจจิตก็มัวแต่คิดว่าประโยคนี้หมายความว่ายังไงหรือบางทีจิตก็คิดแยง้งคิดเถียงก็ติดตันอยู่ตรงนั้นแหละอัตมาก็พูดไปไม่รู้ถึงไหนแล้วนะแต่ว่าจิตก็ยังติดอยู่ตรงนั้นนะ่ะติดอยู่กับคำพูดในอดีต แต่สักพักก็มีสติระ ล, ลึกได้ว่าโอ้นี่ท่านกําลังบรรยายอยู่ก็วางไอ้สิ่งที่ติดขัดหรือสงสัยหรือเห็นแย้งเอาไว้ก่อนแล้วก็สติก็พาจิตกลับมาตามทันเรื่องที่กําลังพูดอยู่เรื่องที่กําลังบรรยายอยู่งั้นจะสังเกตได้ว่าขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยสติจําเป็นมากนะ ในการที่ทำให้เราเนี่ยติดตามเรื่องที่อาตมาพูดบรรยายนีย่รู้เรื่องในงานนี้มันก็ใจลอยไปโนดไปนี่หรือไม่ก็ติดตันอยู่กับคำพูดบางคำพูดบางประโยคแล้วก็เลยไปต่อไม่ได้ไม่สามารถตามทันสติช่วยทําให้เกิดการตามทันทําให้จิตนิจตามทันได้และแนวลายการ ก, เก็เกิดทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่าเมื่อจิต อยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นนั่นเองไอ้ที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะว่าจิตมันไปไหนไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันไปอยู่กับความฝันกลางวันบ้างความฝันฟุ้งปุงแต่งบ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างซึ่งไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ปัจจุบันก็เลยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะแต่ถ้าจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราสติพากลับมา ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็สามารถที่จะทำสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นได้ดีนะบางทีมันก็มีเหตุปัจจัยภายนอกมาทำให้จิตนะออกไปนอกตัวนะเรือจิตมันถูกมันส่งจิตออกนอกนะจิตไปปัก ปรุงอยู่กับสิ่งภายนอกเช่นรูปลดกลิ่นเสียงรนะวมทั้งสัมผัส ด, ด้วยเมื่อกี้พูดเป็นเรื่อ ง, งของสิ่งเราที่เกิดจากใจของเราคือใจปรุงแต่งไปนวดไปนี่อันนั้นเป็นเรื่องธรรมารมแต่ว่ามันยังมีพวกรูป ล, ลดกลิ่นเสียงสัมผัสหรือสิ่งต้องการที่สามารถจะพาจิตของเราออกไปนอกตัวได้ก็ทาให้ลืมสิ่งที่ทาอยู่ในปัจจุบัน ก็ทำให้เสียโอกาสไปหั้งที่สิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราบางทีก็เป็นสิ่งที่มีค่ามีความสาคัญแต่ว่าเราก็ละเลยไปเสียประโยชน์นอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วยังมีความทุกข์นะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราไปจดจจออยู่ภายนอกนี่มันสร้างความหม่นหมองให้กันเราก็มีในสายพุทธการมีเรื่องของ อุบาสิกาท่านหนึ่งนะคือเดิมก็เป็นคนที่ศรัทธาในนักบวชนอกพุทธศาสนาชื่อว่าอุปชีวกนะอุปชีวนี่ก็เขาใจว่าเป็นนี่เป็นผู้ที่ถือลทัทธิแบบเชนนะ น, นะแต่วันหนึ่งก็ได้ฟังว่ามีเพื่อนบ้านนี่ไปฟังธรรมจากพืชเจ้า แล้วก็มาเล่าให้เธอฟังว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสสอนดีเธอก็อยากจะไปฟังบ้างพอไปถามไปขอความเห็นจากอุปชีวกอุปชีวกนี่ไม่ชอบพุทธเจ้าอยู่แล้วก็เลยบอกว่าก็เลยห้ามว่าอย่าไปแต่นางนี่ก็อยากฟังทํำยังไงล่ะก็เลยคิดขึ้นมาวันงั้นนี่มทนท่านมา มาแสดงธรรมที่บ้านเราดีกว่าก็เลยบอกลูกชายว่าช่วยไปนิมนต์พระ เ, เจ้าให้มาแสดงธรรมที่บ้านหน่อยลูกชายก็รับยินดะีรับนะตามคำของแม่แต่ว่าด้วยความพาซื้อก็เลยแวะไปหาอุปชีวะแล้วบอกว่าเนี่ยแม่ให้ไปทูล น, นิมนต์พระ เ, เจ้า อุปชีวกก็ไม่พอใจแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกว่างั้นไปบอกผู้ทธเจ้าแล้วกันว่านิ ม, มนต์แต่ไม่บอกสถานที่ไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นที่ไหนดูว่าพุทเจ้านี่จะหลงทางหรือเปล่าพอลูกชายไปนิ ม, มนต์พูทเจ้าก็รับนิ ม, มนต์พอได้วันพอถึงวันเวลาพระองค์ก็เสด็จไปในหมู่บ้าน ก็ทรงมียานอย่างรู้ว่าเป็นบ้านไหนทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้รายละเอียดทั้งๆ ท, ที่ลูกชายไม่ได้บอกก็ไปถึงบ้านของนางได้ตามเวลาพู้เจ้าก็แสดงธรรมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอุปชีวกเนี่ยติดตามมาด้วยมาที่บ้านของนาง แล้วก็พอเห็นเหตุการณ์ก็ไม่พอใจก็เลยดา่านางเสียเสียให้หายนะเพราะว่าถือว่าตัวเองเป็นอาจารย์ลูกศิษย์มาทำแบบนี้ก็ไม่พอใจก็ดานางก็ระหว่างที่ฟังธรรมจากผู้เจ้านี่ใจไม่ได้อยู่กับคำพูดของพระพุทธองค์เลยนะใจก็ไปนึกไปอยู่ไปจดจ่ออยู่กับคำด่าของอุปชีวก พระเจ้าก็ทรงมียาอย่างลูกก็เลยถามว่าที่เราพูดมานี้เธอไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมนางก็ตอบว่าไม่ได้ฟังพระเจ้าก็รู้ว่าเนี่ยอะไรที่ทําให้นางเนี่ยไม่สามารถจะฟังคําสอนของพระองค์ได้พระองค์ก็เลยตรัสว่าอย่าเอาคาําด่าคําว่าร้ายของผวกอื่นมาเป็นอารมณนะ์ให้ มาจดจ่ออยู่แต่กิจของตัวที่กำลังทำอยู่นะอย่าไปเอาคำของผู้อื่นมาเป็นอารมณ์นะอย่าไปสนใจคาพูดคำว่าของอุบชีวกนั่นเองนะให้มาใส่ใจอยู่กับกิจของตัวนะพอพูดเช น, นีพ ง, พงรัดเช น, นีเนี่ยนางก็ได้สติ พอได้สติฟังธรรมของพระเจ้าก็บรรลุธรรมเลยเป็นพระโสดาบันเพราะตอนนั้นเนี่ยใจของนางนี่เปิดว่างแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยหรือในก่อนหน้านั้นเนี่ยเรียกว่าใจนี่นะไม่ว่างเลยจิตนี่วุ่นนะเพราะว่าคิดถึงจดจ่ออยู่แต่คําด่าคําต่อว่าของอุปชีวกนะอันนี้ก็คือไม่มีสตินั่นเองลืมตัวไป กำลังฟังทำอยู่แต่ว่าลืมตัวไปคิดนะไปจดจ่ออยู่กับคําพูดของอุปชีวกอกคนเราก็เป็นอย่างนี้นะบางทีฟังคําบรรยายอยู่เดี๋ยวมีเสียงโทรศัพท์มือถือดังหรือว่ามีเสียงรถมอเตอร์ไซค์แล่นผ่านเราสังเกตใจของเราหรือเปล่านะใจเราก็ไปแล้วนะไปจดจ่ออยู่กับเสียงเหล่านั้นแล้วก็ปรุงแต่งเพราะว่ามันมี พอเสียงดังก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นระคายหูใจก็ไปปักอยู่ตรงต้นเสียงนั้นแล้วก็นึกปรุงแต่งต่อไปว่าทําไมมาส่งเสียงตอนนี้เมื่อไหร่จะดับเครื่องเสียทีทำไมเจ้าของโทรศัพท์มือถือไม่ยอมปิดเครื่องไปแล้วนี่เรียกว่าไม่มีสติ น, นี่ไม่มีสติแล้วไม่ได้ไม่มีสติไม่ได้แปลว่าเป็นลมไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างที่เราเห็นนะ บางทีกาลังกาลังดูเหมือนนั่งฟังอยู่แต่ใจลอยเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีสติไม่ได้อยู่กับปัจจุบันลืมตัวไม่รู้ทันในในจิตที่กาลังปรุงแต่งไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเสียงดังระคายหูแต่ก็เพราะสตินั่นแหละที่จะทาให้จิตของเราเนี่ยกลับมามาฟังคาบรรยายเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราลึกได้แล้ราลึกได้ว่าเรากาลังทําอะไรอยู่กาลังฟังถามก็กลับมากลับมาก็ติดตามคมําบรรยายรู้เรื่องนะแต่ในระหว่างที่ติดตามเราก็ไม่ได้ติดตามแบบลืมตัวนะไม่เหมือนกับเราเพลินฟังฟังทอล์กโชว์ show, หรือว่าฟังลําลตัดหรือว่าฟังเพลงบางทีใจเราใจเราอยู่กับเพลงจนกระทั่งหรืออยู่กับสิ่ง อยู่กับเสียงเหล่านั้นนะจนลืมตัวก็มีนะไม่รู้กายไม่รู้ใจแต่ว่าถ้าเราฟังเนี่ยเราฟังแล้วเรามีสติรู้รู้ตัวไปด้วยนะรู้ว่ากำลังนั่งอยู่นะแล้วก็พอใจเพลินติดตามจนลืมตัวก็กลับมาอยู่ที่กายอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสติ ซึ่งถ้าเรามีสติแบบนี้เนี่ยใจเราก็จะเปิดรับสิ่งต่างๆคำบรรยายได้อย่างเต็มที่ถึงแม้จะไม่ได้ฟังคำบรรยายนะแต่ว่าก็สามารถที่จะเปิดรับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะธรรมะนะธรรมะที่มาโดยไม่ตั้งใจ ธรรมะที่แสดงโดยธรรมชาติจากเสียงฝนตกนะจากดอกบัวจากใบไม้ที่ล่วงหล่นพวกนี้นี่ก็เป็นธรรมะนะที่สอนใจเราได้ทั้งสิน้นเมื่อเรามีสตินะใจเราก็ว่างจากความคิดจากสิ่งปรุงแต่ง ก็สามารถที่จะเปิดรับสัจธรรมน ะ, ะพระอรหันต์หลายท่านท่านบรรลุธรรมก็เพราะว่าใจาท่านว่างพอที่จะเห็นสัจธรรมนะบางทีเห็นเทียนที่กำลังลุกโพลงอยู่ดับท่านก็บรรลุธรรมทันทีบางท่านเห็นดอกไม้ที่ที่เมื่อวานนี้เนี่ยยัง สวยสดอยู่แต่ว่าวันนี้นี่เริ่มโรยลาแล้วพอเห็นนี่ท่านก็นบรรลุทมได้นะโดยที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครามาบรรยายให้ฟังแต่ว่าท่านเห็นธรรมะด้วยใจไม่ได้เห็นด้วยความคิดนะที่จริงธรรมะนี่มันแสดงแกเราตลอดเวลาแสดงตัวแก่เราตลอดเวลาจากสิ่งรอบตัวแสดงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา แสดงเรื่องการปล่อยวางแสดงเรื่องความเพียรอย่างเช่นพวกนกพวกจอมพวกแมลงพวกปลวกเขาแสดงทำให้เราตลอดเวลาแสดงทั้งสิ่งที่เป็นความจริงที่เป็นสากลที่เป็นกลางๆงหรือเป็นคติธรรมถ้าใจเราว่างพอเราก็จะรับสิ่งเหล่านั้นได้อาจารย์พุทธทาสี่ เวลาที่ใครไปสวนโมกนะบางครั้งท่านก็จะแนะนาให้ไปฟังเสียงก้อนหินพูดไปฟังเสียงธรรมะจากต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะเราลองฟังเสียงของธรรมชาติดูบ้างบางทีไมย่าว่าแต่ธรรมะจากธรรมชาติเลยนะแม้แต่เสียงที่มันเป็นเสียงธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้ยินนะ อตาตมาเคยพาหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งนะก็เป็น n อ o อนะไปเดินจงกรมที่หน้าวัดนะตอนนั้นก็เป็นเวลาเช้าอากาศดีนะประมาณหลังบินธบาทนิดหน่อยหลังพาดไปบินธบาทนิดหน่อยก็เดินประมาณสี่สิบห้านาทีก็บอกว่าเวลาเดินนี่ก็ให้รู้กายรู้ใจนะ ถ้าใจฟุ้งซ่านก็รู้แล้วก็กลับมาอยู่ที่การเดินเดินไปแล้วก็กลับมาก็ถามความรู้สึกของเขารวมทั้งถามเขาด้ยว่าที่เดินมาเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องบ้างหรือเปล่าเกือบครึ่งนะบอกว่าไม่ได้ยิน ท, ทั้งๆที่สองข้างทางนี่มันเป็นมันเป็นเป็นท้องทุ่งนะมีไล่มันบ้างแล้วก็จิ้งเหลียก็ส่งเสียงดังอย่างตอนเนี้ยแล้วก็ส่งเสียงตั้เกือบตลอดทางแต่ว่าหลายคนเนี่ยเดินมาสี่สิบห้านาทีเนี่ยไม่ได้ยินเสียงจิ้งหลีดเลยนะก็เลยถามว่าทําไมถึงไม่ได้ยิน เขาก็ทบทวนก็บอกว่าใจมันคิดถึงเรื่องงานเป็นห่วงกังวลเรื่องงานการบางคนก็คิดเรื่องการวางแผนงานนะคิดแล้วก็ไม่รู้ตัวนะทางทางี่นั้นไม่ใช่เวลาคิดเนี่ยอย่างที่บอกไว้เมื่อวานเนี่ยบัดดิตย่ไม่แบกภาระที่ยังมาไม่ถึงให้เรื่องงานเรื่องการนั้นเอาไว้รออาทิตย์หน้า ตอนนี้นี่มาปฏิบัติธรรมแต่ว่าหลายคนก็แบกภาราเทียงมาไม่ถึงไอ้ภาราที่มาถึงก็คือกาลังเดินอยู่ไม่สนใจใจไม่ว่างเนี่พอไปคิดเรื่องงานเรื่องการใจไม่ว่างเสียงแม้แต่ทั้งเสียงธรรมดาธรรมดาง่ายๆคือเสียงจริงรลดก็เลยไม่ได้ยินนะคนเราเป็นอย่างนี้ย้อนะจิตของเรานี่ไม่ว่างเพราะว่าถูก อาจแน่นไปด้วยความคิดเป็นความลักคิดนะคือไม่ตั้งใจคิดแต่ว่ามันมันแอบขโมยเอาสติของเราไปแอบขโมยเอาจิตของเราไปปรุงแต่งต่างๆนานาเราสังเกตบ้างหรือเปล่าเวลาเราเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยที่ไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ใจไม่ได้อยู่กับการสร้างจังหวะเดินจองกรมแต่ว่าใจไปไหนเราก็ไม่รู้อันนี้เรียกว่าลืมตัวอันนี้เรียกว่าหลงนะแล้วคนเราเนี่ยก็เลยพลาดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือที่อยู่ตอนหน้าไม่ใช่เป็นแค่คำบรรยายจากพระหรือว่าเสียงอสอนธรรมะจากธรรมชาติ แต่ว่าแม้กระทั่งความสุขง่ายๆเราก็ขาดโอกาสนั้นไปมีเพื่อนคนหนึ่งเขารล่ายฟังเขาไปผ่าตัดนะก็ไม่ได้ผ่าตัดใหญ่อะไรนะเป็นผ่าตัดไส้เลื่อนก็หลังจากที่อยู่โรงพยาบาลได้สักสามสี่วันก็กลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านก็ทำอะไรไม่ได้นะก็ต้องนั่ง พักอยู่ที่บ้านกลางวันนี่เขาก็วันหนึ่งเขาก็มามานั่งพักอยู่ตรงระเบียงบ้านตอนนั้นก็เป็นเวลาบ่ายนะระหว่างนั้นก็ใจก็ลอยไปลอยมาเพราะว่าไม่เคยมานั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านนานๆแต่ประมาณสักบ่ายสามเนี่ย ก็เริ่มได้ยินเสียงนกเขามันร้องพอนกเขาร้องตัวหนึ่งนกเขาตัวหนึ่งก็ร้องตามนะจนกระทั่งร้องเป็นเป็นเรียกว่าสนั่นเลยนะเราก็มีนกตัวอื่นเนี่ยส่งเสียงแข่งนะเขาก็นั่งฟังมันเป็นเสียงที่ไพเราะมากก็ก็หลับตาแล้วก็ฟังเสียงนั้น พยายามแยกแยะว่านกอะไรบ้างแล้วก็รู้ว่ตัวเองเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับ น, นกน้อยมากเพราะเป็นคนคนกรุงเทพนะเสียงที่ก็ได้มันเพลาะมากเสร็จแล้วเขาก็ได้คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันอยู่บ้านนี้มา20ปีแล้วตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่ตอนนี้ลูกก็เข้ามหาวาทยาลัยแล้วแต่ทําไมไม่เคยได้ยินเสียงนี้เลย ตอหลังเขาเนี่ยเป็นเสียงที่เขาเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกเขาแปลกใจมากว่าอยู่บ้านมายี่สิปีทําไมไม่เคยได้ยินเสียงที่เพลาะนั่นเลยมันเพลาะมากนะขณะที่รว่าเขาหลับตาฟังรัดใจก็ปลื้มปิติแล้วเขาก็ได้คิดว่านี่เป็นเพราะว่าที่ผ่านมานี่<ม>เขาทําแต่งงานนะแล้วก็ปล่อยใจลอยอยู่ตลอดเวลา ก็เลยไม่เคยได้ยินเสียงที่ไพเราะพร่าพริกงอย่างนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะความที่เขาไม่มีอะไรทาเนี่ยใจเขาว่างเขาก็เลยได้ฟังเสียงที่มันเกิดขึ้นกับเขามานานแล้วแต่เขาไม่ได้ยินพอเขาเ ร, ริูเช่ น, นี้เนี่ยเขาก็ปล่อยใจว่างแล้วก็ซึมซับเสียงเพลงนั้นหลับตากระทั่งน้ำตาคลอเลย มันเป็นความสุขที่ที่พิเศษมากแต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกใหม่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันปรากฏขึ้นจากเขาเนี่ยเป็นเวลานานอาจจะเรียกว่ายี่สิบปีก็ได้แต่เขาไม่เคยรับรู้เลยเพราะว่าใจเขาไม่ว่างพอที่จะรูนะ้อันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆความสุขนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนจริ ง, รงๆก็อยู่ที่บ้านเราอยู่รอบตัวเรานั่นเองนะ แต่ว่าเราเนี่ยใจเราไม่เปิดใจเราไม่ไม่เปิดรับไอความสุขที่ควรจะรับรู้ควรที่ใจของเราจะสัมผัสได้ก็เลยพลาดโอกาสนั้นไปคนมักจะไปหาความสุขนอกตัวไปหาความสงบสงัด ต, ตามปากเขาที่จริงความสงบสงัดก็จะอยู่ที่ บ้านหรืออยู่รอบตัวแค่นั้นเองผู้ชายคนนี้เขาบ้านเขาอยู่กรุงเทพนะแต่ว่าเป็นบ้านที่เป็นบ้านจัดสรรที่อาจจะอยู่ในซอยทีอ่อยู่ในซอยที่มันลึกสักหน่อยนะอันนี้มันก็ทําให้เขาได้คิดเลยว่าอจริงๆแล้วนี่คนเราถ้าเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมีใจมีจิตอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ความสุขเป็นเรื่องง่ายมาก เช่นเดียวกับธรรมะนะธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะรับรู้ได้ตลอดเวลาแต่เป็นเพราะใจเราไม่ว่างนะใจเราวุ่นไปกับความคิดไปกับอารมณ์ต่างๆนะเพราะเราปล่อยให้มันเข้ามานะไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็มือขโมยนะอย่างที่พูดนะเราปล่อยให้ขโมยนี่เข้าเข้าบ้านโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่ว่าพอเรามาปฏิบัติแล้วนี่หลายคนไม่อยากให้ขโมยเข้าบ้านก็จะคอยนั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูว่าเมื่อไหร่ขโมยจะเข้าบ้านคนที่นั่งเฝ้าประตูบ้านอยู่ตลอดเวลาจะเครียดไหมจะเหนื่อยไหงานการอะไรก็ไม่ได้ทำเพราะคอยนั่งเฝ้าประตูนั่งดู หน้าบ้านมาโจรจะเข้ามาหรือเปล่าขโมยจะเข้ามาไหมนักปฏิบัติธรรมหลายคนก็เป็นแบบนี้นะก็คือไปเฝ้าดักดูจิตว่าเมื่อไร่ความคิดมันจะออกมาเมื่อไรความไอตัวรักคิดนี่มันจะโผล่มาคอยไปดักอย่างงั้นแหละเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วเครียดนะอย่าไปทำอย่างนั้นนะให้เราเนี่ยนะ ทำอะไรเหมือนกับเราอยู่บ้านนี่เราก็ทําอะไรของเราไปกวาดบ้านล้างจานซักผ้าหรือว่าจะอ่านหนังสือก็ได้อันนี้เทียบเป็นอุปมาอุปไมยนะหันหลังให้กับประตูบ้านก็ได้แต่เวลาโจมันเข้ามาหรือขอโมยเข้ามาหรือคนแปลกหน้าเข้ามาบ้านเพียงแค่มาถึงหน้าบ้านเราก็รู้แล้วเพราะว่า หูเราไวพอพอเข้ามาถึงเราก็รู้ล่นอันนี้เป็นแขกหรือว่าเป็นขโมยแต่ส่วนใหญ่นะปล่อยให้มันมาถึงชั้นสองแล้วถึงค่อยรู้ว่าโอ๊ยตายแล้วขโมยเข้าบ้านแล้วส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะคือปล่อยให้ใจไอ้ตัวรักคิดนี่มันทำงานคิดไปเป็นคุ้งเป็นแควถึงรู้ตัวนะคิดไปหลายเรื่องหลายราวแล้วถึงรู้ตัว แต่ไม่เป็นไรนะก็ให้ทำต่อไปให้มีสติรู้รู้ทันไอความลักคิดนั้นใหม่ๆนี่มันก็กว่าจะรู้ว่าขาโมยเข้าบ้านนี่มันก็ขนของออกไปหลายอย่างแล้วแต่ต่อมาเราก็รู้ทันมากขึ้นจนกระทั่งเพียงแค่เขามาโพที่หน้าประตูบ้านเราก็รู้แล้วนะเพียงแค่รู้เท่านั้นแหละนะเพียงแค่เห็นว่าเขามาเท่านั้น โจรนี่มันก็ถอยเลยนะขโมยมันก็หนีแล้ะเพราะขอโมยนี่มันกลัวมันกลัวเจ้าของบ้านรู้นะเราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องมีมีดไม่ต้องมีปืนนะเพียงแค่เรารู้ทันพอเขาเข้ามาและขโมยเขารู้ว่าเรารู้นะเขาก็ล่าถอยไปเองก็เปรียบได้กับไอความคิดเนี่ยที่มันเข้ามารบกวนจิตใจเรา เราไม่ต้องไปกดขม่มไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องผลักไสนะเพียงแค่รู้ทันเท่านั้นเองให้ความคิดที่มันลักขโมยเข้ามาในใจเรามันก็หนีไปเองอารมณ์ต่างๆก็เช่นเดียวกันนะจะเป็นความเครียดความหงุดหงิดนะความขัดเคืองความอยากที่เรียกว่าการมาฉันทะอยากที่จะเสพรสอร่อยหรือติด ลึกๆนึกถึงมันจนกระทั่งปฏิบัติธรรมไม่เป็นสุขพวกนี้เหล่านี้เนี่ยมันจะมาปรากฏนะจะมารบ ก, กวนจิตใจเราตลอดเวลาจะมาขโ ม, ขโมยความสุขไปจากใจขโมยความสงบความสงับไปจากใจของเราเราปฏิบัติธรรมมาหลายวันก็คงจะเห็นอารมณ์พวกนี้เนี่ยจอนเข้ามาอยู่หลายคนก็ ไม่ชอบอารมณ์แบบนี้เพราะว่ามันมาลบกวนความสุขความสงบของเราหลายคนก็จะใช้วิธีไปพันตูไปรวมรันพันตูกับมันขับไล่มันนะกดข่มมันนะทำอย่างนั้นเนี่ยนะเราก็ยิ่งยิ่งแพ้ทางมันนะเพราะมันยิ่งชอบนะมันเหมือนกับอ่ เหมือนกับตุ๊กตาล้มลูกอ่ะยิ่งผลักออกไปไกลๆเนี่ยมันก็ยิ่งเด้งกลับมายิ่งว่าก็เหมือนยิ่งยุเหมือนอันธพาลที่พูดไว้เมื่อสองวันก่อนเนี่ยยิ่งไล่มันมันก็ยิ่งรบกวนก่อกวนเรามากขึ้นนะวิธีการที่เราจะต้องทําก็คือว่าเพียงแค่รู้เฉยๆหรือใหม่ๆเนี่ยยังรู้เฉยๆไม่ได้ก็อย่าไปสนใจมันช่างมันมันจะเกิดขึ้นยังไงก็ช่างมันช่างมันนะเวลาเราเราวางใจแบบนี้เนี่ย ก็ทำให้มันแพ้ทางเราแต่ก่อนเราแพ้ทางมันเพราะเราไปกดข่มมันพยาพยามสู้กับมันมันก็ยิ่งชอบใจแต่เพียงแต่เราไม่สนใจมันมันก็เริ่มแพ้ทางเราแล้วนะอารมณ์เหล่านี้มันนีมันก็เหมือนกับหมาบางประเภทนะผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องหมาหรือว่าคนที่เลี้ยงหมามีประสบการณ์เกี่ยวกับหมานี่เขาบอกว่ามันจะมีหมาประเภทหนึ่งนะเวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่เนี่ย มันจะอาลวาดกัดเก้าอี้กัดโซฟากัดผ้าม่านบางทีก็ถึงพรมไม่พอบางทีก็เอือดใส่ซะอีกเจ้าของบ้านกลับมาเห็นก็จะตีมันนะแต่แทนที่มันจะเลิกนิสัยนี้มันกลับทําหนักขึ้นนะอาลวาดหนักขึ้นเจ้าของบ้านกลับมาโกรธ นะก็จะตีมันบางทีก็ฟาดมันแรงๆปรากฏว่ามันกลับชอบนะพอเจ้าของบ้านไปทำงานมันเอาอีกหนักขึ้นเรื่อยๆขนาดเตะมันนี่ไม่ได้ช่วยมันเลยไม่ได้ช่วยทำให้มันเลิกทำเลยนะทำหนักขึ้นเจ้าของบ้านเลยไม่รู้ทำยังไงผู้ลูกเขาก็แนะนำว่าไอ้หมาประเภทนี้เนี่ยมันต้องการความสนใจมันต้องการเรียกร้องความสนใจ จากเจ้าของบ้านพอเจ้าของบ้านนี่ไปเตะมันไปตีมันเนี่ยมันก็ยิ่งได้ใจเพราะมันรู้สึกว่ามันทำสำเร็จนะเจ้าของบ้านใส่ใจมันสนใจมันมันก็เลยทำใหญ่เลยนะตอนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่มันจะเรียกร้องความสนใจหนักขึ้นแล้วพอเรากลับมาตีมันเตะมันมันยิ่งชอบนะครนี้พุ่ลูกเขาแนะนำยังไงเขาแนะนำว่าอย่าไปสนใจมันนะ อย่าไปเอะอะโวยวายกับมันปล่อยมันไปนะมันจะอาละวาดแค่ล้นก็ปล่อยมันไปเหมือนกับว่ามันไม่มีมันอยู่ในบ้านนะถ้าจะมองมันก็แค่ชำเลืองมองนะอย่าไปอย่าไปว่ามันอย่าไปทาร้ายมันปล่อยมันไปเลยบอกว่าทำอย่างนี้นี่มักจะได้ผลนะพอมันรั่วเจ้าของบ้านไม่สนใจมันมันก็รว่วมันถูกทำโทษแล้วนะ มันก็จะพยายามทําตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ที่สุดก็เลิกพฤติกรรมอันตรพาณ์ก้าวล้าแบบนั้นไออารมณ์มันก็เป็นอย่างนี้นะอารมณ์ที่รบกวนจิตใจเราใหม่ๆเราก็ต้องหลอดใหม่ๆเราไม่รู้ทันมันเราก็ไปอลาว่าสายมันไปสู้กับมันแต่พอเรามีสติเราฉลาดขึ้นเราก็เพียงแต่ไม่สนใจมันช่างมันนะ มันจะปวดยังไงช่างมันนะอาจจะแค่ชำเลืองตาดูเล็กน้อยแล้วก็ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมต่อไปใจมาอยู่กับกายรับรู้การเคลื่อนไหวของกายไม่ไปสนใจอารมณ์ที่มันมาปั่นป่วนจิตใจอันนี้ก็จะช่วยได้นะสำหรับคนที่เป็นผู้ฝึกใหม่แต่ถ้าเกิดว่าใจมันยังมันยังเรียกว่า ยังอยากจะเข้าไปพันตูนะเพราะว่านี้สายเราเป็นอย่างนั้นคือเราชอบมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เฉยไม่เป็นวางเฉยไม่เป็นถ้าไม่ชอบก็ชังถ้าไม่ผักไสก็ขวายคว้านะเรามีปฏิกิริยา2 อ, อย่างเท่านั้นแหละไม่ค่อยวางเฉยก็ต้องอาจจะต้องทําใจสักหน่อยเออให้มองเขาเป็นเพื่อนก็นแล้วกันนะ อย่างที่แนะนําเมื่อสองวันก่อนมอเก็ เ, เป็นเพื่อนเราเข้ามาก็ เ, าเป็นอาคันตุ ก, กะมามาม า, มาเยือนเราชั่วคราวอันนี้ก็ช่วยทําให้ความโกรธความเกลียดต่ออารมณ์เหล่านี้นมันลดลงได้ก็ช่วยทําให้เราเสามารถจะรักษาใจให้เป็นกลางไม่ไปโลมลําพันตัวกับอารมณ์เหล่านั้นด้วยความเกลียดชังด้วยความจริงชังด้วยความรู้สึกลบต่อมันให้ลองทําใจแบบนี้ดูนะหลวงพ่อเทียนเวลาท่านสอนพูดปฏิบตับติใหม่ๆท่านก็ ท่านก็พูดสั้นๆไว้ทําเล่นๆแต่ว่าทําจริงจังทําเล่นๆก็คือว่ามันจะฟุง้งมันจะใจลอยไปบ้างก็ช่างมันอย่าไปอย่าไปอย่าไปเอาจริงเอาจังอย่าไปเป็นบ้าเป็นหลังกับมันนะทำเล่นๆไปนะรู้บ้างไม่รู้บ้างใจลอยบ้างก็ช่างมันแต่ทําจริงอย่างคือทําเรื่อยๆทําไม่หยุดทําตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยอันนี้เราทําจริงๆ แต่ว่าอย่าไปหวังผลเอาจริงเอาจังกับผลที่เกิดขึ้นเพราะว่าจิตเรามันควบคุมไม่ได้เป็นอนัตตานะอันนี้ก็ก็เป็นแง่คิดนะเอาไว้ก็ทดลองปฏิบัติ ด, ดูแล้วก็พอสมควรกับเวลาครับ